ขอความเจริญในธรรมจุมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโพติญาณในวันนี้ก็คงสืบต่อจากที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนคือทรงคิดค้นเรื่องเบญจขัน์คือขันห้าก่อนการจัดสรุปแต่วันก่อนก็ได้ขยายคำารูปเวธนาสัญญาสังคารวิญญาณออกไปต่ตามปกติแล้ว เรามีการบรรยายใ น, นที่ใดแล้วก็เปิดโอกาสได้ถามปัญหาก็จะมีการถามเรื่องขันห้าคืออะไรก็ต่อไปก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่ยังไม่ได้รู้แต่ว่าเราคงเจออยู่เรื่อยนะฮะเพราะว่าอะไรมันก็อยู่ในขันห้าทั้งนั้นทีนี้การมองขันห้าอย่างที่บอกไว้ว่าทชงมองทุกข้อเนี่ย มองความอร่อยของขันห้าคือเรียกว่านันทิราคะหรือว่านันทิความเพลินนะฮะอัศทะคือความพอใจความเพลินอะไรคือคือตัวรสชาติที่เราพอใจของขันห้าแล้วอะไรคือโทษแล้วอะไรเป็นอุบายที่จะสลัดออก ซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเราจะเห็นว่าพวกเหล่าเนี้ยมันตกอยู่ในกฎใจรักเพราะเป็นการมองตามโครงสร้างของใจรักดูแลคล้ายๆจะง่ายนะแต่ว่ากลายเป็นปนัญหาภูเขาเพราะเรื่องของใจรักเนี่ยมันเราอยู่เหมือนกับนกเห็นฟ้านะฮะนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นนา้าไส้เดือนไม่เห็นดินเราเห็นแต่เราก็ไม่เห็น แต่บางครั้งบางเราเราก็อัศจรรย์นนะอจจะจัศจรรย์ใจอย่างว่าพระเราบางรูปไม่ใช่ทุกรูปเลยต้องก็อยู่กันมานานจนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราทั้งกฎเทศอธิบายไสลักษณ์ประโยชน์ย้อยมากแต่ในขนาดเดียวกันทั้งก็ยืดติดโยอะเหลือเกินอย่างอยากเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโนนอยู่ทั้งๆ ท, ท, ท, ท, ที่เดินเหือนก็ไม่เคยไหวล่วะก็ถือว่าแปลก คือเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกแต่จริงจึงก็เคยคุยกันบอกว่าต่อไปเราจะเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันคือว่าส่วนท่านจะเป็นยังไงก็เรื่องของท่านนะแต่ว่าทำยังไงว่าเราจะเป็นทางนั้นก็แล้วกันคือยังนึกถึงว่าสมเด็จรามนะท่านวางประธานหลักทรงประธานหลักก็ไว้ว่า สมณศักดิ์เนี่ยถวายพระผู้ใหญ่ที่สนองงานพระศาสนามามากแล้วให้ท่านเจริญในด้านสมณศักดิ์เขาเรียกว่าอะไรละ่ะยศสันเสริญสุขให้ท่านได้ยศสันเสริญสุขแต่ว่าหน้าที่การงานเนี่ยควรจะมอบไปคนที่มีแรงทํางานมีไฟในการทํางานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับยุคสมัย เป็นความคิดที่ดีมากนะแต่ว่ามันก็เดินไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่อยู่ในสภาพนกไม่เห็นฟ้าปราไมณเหนน้ำเนี่มันมีอยู่มากแล้วมันยากจริงๆพูดมันพูดเล่นแต่มันยากจริงๆนีราใจรักของหลวงตาแจ่มจนขึ้นถึงก็อนิจาสังขารา ว่าไม่เที่ยงเกิดมาแล้วตายเกลี้ยงไม่เหลือหลอทั้งผู้ดีเข็นใจตายแต่ตายเตียนยอถึงตัวหมอก็ต้องตายวายชีวันแม้พระพุทธองค์ทรงล้ำเลิศประเสริฐกว่าที่ว่าในสวงสวรรค์เนี่ยในที่สุดก็นิพพานเหมือนกันและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือบทสวดบทสวดธรรมะเช้าเนี่ยมันสอนใสรักทุกวันเลย เราวัดก็เคร่งครัดนะในการนวัตเช้าเนี่ยวัตเช้าเย็นเนี่ยเคร่งครัดเราก็สวดทุกวันแต่ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกแต่จริงพราะนันอย่างที่ทรงแสดงไวในที่หนึ่งร้อนนะว่าเอธาปัสสะที่มังโล ก, กังกิตังราชะระถุปมังยัถบาลาวิสีดันตินติสังโฆวิชาณตาง สูเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดูราชรถที่พวกคนเขาคล้องอยู่แต่พวกรู้ไม่คล้องอยู่คนอยู่ในโลกสรุปแล้วก็มีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือคล้องติดอยู่ในโลกมาไม่ได้ อ, อะไรมาหรอกแต่ว่าพร้อมจะคว้าจะยึดจะเกาะกลุ่มสิ่งต่างๆเอาไว้พรมอย่างไรจะไม่ตายอะ แต่ว่าผู้รู้กลับไม่คล่องอยู่คำว่าตถาคตเนี่ยถ้าเราแปลตามศับนะแปลว่ามาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นมาอย่างที่มานะก็ไปอย่างที่ไปเป็นการมาแบบพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะฮะแล้วก็ไปอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่คนเราที่จริงก็เป็นอย่างนั้นเรามาอย่างที่มาเราก็ไปอย่างที่เราไป มาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นเรามาด้วยบุญด้วยบาปที่เป็นเงาติดตามตัวเราจากไปก็ด้วยบุญด้วยบาปไม่ได้เอาอะไรมาอย่างที่เราพูดว่าเกิดไม่เอาอะไรมามรณาไม่ได้เอาอะไรไปมันก็มีคติเตือนใจสอนใจเป็นนั้นมากแต่ก็จริงแล้วเราก็าไม่เข้าถึงในเรื่องเหล่านี้ เมื่อก่อนไปพบการอธิบายข้อความที่ปรากฏอยู่ตามพัดในงานศพต่างๆท่านผู้ฟังคงเคยเจอนะฮะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีหนีไม่พ้นเมื่อก่อนเราไปคิดถึงว่างานศพแต่พอไปเจอเขา้าไขข้อความนี้ไปเออก็มีเหตุมีผลไปไม่กลับนั้นเขาบอกว่าในแก่การเวลา การเวลาย่อมกินสัพสัดพร้อมด้วยตัวมันเองการเวลามันก็เป็นขันอย่างหนึ่งแล้วก็เราก็เป็นขันแล้วก็ต่างคนต่างก็กินนะกินเราแล้วกินมันด้วยนะกินพร้อมด้วยตัวของมันเองอย่างที่โบราณท่านเขียนเป็นรูปของพระการไว้แล้วก็ การไปรูปอ้าปากแล้วก็มือก็อ้อมไปรวบสัตว์ต่างๆไว้ในวงแขนบางทีเราก็มีคำปริศนาสอนให้คิดพอมียักษ์ตนหนึ่งนามีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริปรี่มีควันไม่มากปากละสามสิบี่กินสัตว์ทปัตตภียักษ์ตนนี้คือใครก็ตื่นกันเนี้ย เพื่อคนเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่เพราะอะไรเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงมองจากสายพระเนตรของพระพุทธเจ้าพระหันเราพวกวิปลาสคือมองสิ่งทั้งหลายไม่ชัดเจนแล้ ว, วิปลาสในสามเรื่องใหญ่ๆแล้วก็เกี่ยวข้องยึดโยงอยู่กับชีวิตเราทั้งหมดด้วยประการแรกคือสุภวิปลาส เป็นการมองสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยงามมีการกำหนดแล้วเกิดกำหนัดมีความกำหนดแล้วเกิดพอใจมีความกำหนดแล้วเกิดความโลภและแต่คอยคว้าปรารถนาเพื่อถือครองครอบครอ ง, รอ ง, รองสิ่งเหล่านั้นกันไม่มีที่สิ้นสุดจนถึงก็ยื้อแย่งกันอย่างวรรณคดีสมัยก่อนให้ลองสังเกตว่านิยมพระเอกมีเมียมากแต่ยุ่งกับในเรื่องผู้หญิงอ่ะเนี่ ยุ่งกันเรื่องแย่งผัวแย่งเมียเนี่ยแล้วไอั น, นี้มันก็มีลักษณะอย่างนั้นที่เขาเรียกละขอดน้ำเน่าเราลองนึกดูนะคดีเราใหญ่ๆหลายเรื่องเรื่องพระภัยมณีเป็นการแย่งผู้ชายคนเดียวของผู้หญิงสองคนยุ่งไปหมดเลยเรื่องรามเกียรติ์เป็นเรื่องผู้ชายสองคนแย่งผู้หญิงคนเดียวกัน เรื่องคุณชางคุณแผลเรื่องผู้ชายสองคนแย่งผู้หญิงคนเดียวกันก็อย่างนี้อย่างนั้นนะแล้วก็นิยม ช, มชมชอบิยมชมชอบการที่ผู้ชายมีปัญญามากๆแต่ผู้หญิงอย่างนางกากีนะฮะถูกบังคับขืนใจรืยทำไปกลายเป็นคนเลวที่จริงผู้ชายก็เปรียบเพื่อนไม่เบากันนะเพราะว่าใขาคุมสื่อไว้เอง เมื่อก่อนหนังสือหนังหาสื่อสารหนังหลายแกคุมไม่เองหมดเลยก็พูดเัาเองเอาแต่ได้ไม่นึกถึงความจริงวันนี้คือลักษณะของวิปปัลลาทั้งคู่นั่นแหละคือมองคลาดเคลื่อนจากความจริงร่างกายเราเนี่ยที่พระเจ้าสอนไว้เนี่ชัดเจนมากโรคนิสทางรังโรคปะพังคูน่นางเปืนนะ่อยเน่าเอาขนาะนี้ปูติสันเดโหเรียกว่ากายเน่านะ กายนาวปูติสันเดโหเปรว ก, กายนาวแล้วเป็นที่ประชุมของซากศพสารพัดเป็นป่าช้าขนาดใหญ่แลวลองสังเกตว่าแม้แต่โรคร้ายเช่นโรคมะเร็งเนี่ยเกิดที่ร่างกายของคนในส่วนต่างๆของร่างกายอันเป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจของชาวโลกกันแหละคือไม่มองอย่างอื่นเลยมองสวยงามว้ยอย่างเดียว ในการมองอย่างนี้มันมีหยาบ ก, กลางละเอียดท่านเรียกสามระดับนะเรียกว่าสัญญาวิปลาสเรียกว่าจิตะวิปลาสเรียกวทิทธิวิปลาสคือเรื่องเดียวกันแต่มีความเข้มข้นต่างกันประการแรกแบบจำหมายเอาคลาดเคลื่อนจากความจริงประการระดับที่สองนั้นคิดเอาแล้วคลาดเคลื่อนจากความจริงประการที่สามนี่เห็นนะ เป็นความเหินเลยปักใจลงไปอย่างนั้นหัวเด็ดตีนขาดไม่ปล่อยมันจึงมีภาพที่หน้าสงสารก็สงสารขำก็ขำนะแต่ว่าอีกาเนี่ยเมียมันตายนะตกลงไปในทะเลตายมันออกปากวิทย์น้ำนะฮะจะวิตยาน้ำในทะเลเพื่อจะช่วยเมียนะเป็นภาพเป็นภาพของ คือที่จริงมันมั น, ม, นมันมีพระหลวงตาหลวงตาแล้วก็กมีผูกพันธ์กับคนรู้สึกอย่าพิกษุณีอะนะคือก็ไม่ได้ผูกพันธ์ทางเพศอะไรหรอกผูกพันธ์กันด้วยความเป็นมิตรสนิทสนมเนี่ยพิกษุนีมรนาภาพลงไปท่านกอดคอร้องไห้กันเหมือนกับเด็กพระเจ้าก็เลยล่าเริองอีกา้ฟังเป็นอาการของความวิปลาสแล้วไม่ยอมปรับใจตัวเอง อีกระการหนึ่งเนี่ยสิ่งทั้งหลายมันเลื่อนไหลไม่คงทีแต่เราก็ไปมองมันเที่ยงไอ้เที่ยงเนี่ยเลยมันยุง่งพอเราไปกําหนดว่าเที่ยงพอมันไม่เที่ยงเราก็เดือดร้อนนะพอเที่ยงบางจุดเราก็เดือดร้อนนี่แหะนะเช่นสมมติเราเกิดแหวมาถึงเราต้องการเที่ยงเราก็เล็กเืองั้นแหะตัวเล็กเยอะงั้น เ, เราก็ไม่ชอบอีกและเอาพอเปลี่ยนเป็นแก่เป็นป่วยเราก็ไม่ชอบอีกและ ท า, ทางที่มันไม่เที่ยงทีนี้ถ้าความแก่มันอยู่อย่างนั้นตลอดนะหือไม่แก่ต่อไปก็ให้ชะลอความแก่ไว้ก็ชักชอบเหมือนกันอันนี้คือวิปัราาาแล้วก็เรียงเป็นสามระดับเหมือนกันนะคือจําหมายวิปัสสนคิดวิปัสสาคุยความเห็นวิปัสสนาเพื่อบองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขแต่เรียกว่าสุขขาวิปัสสา นองค่าเคลื่อนเหมือนกันแล้วในสุดก็กำหนัดเพลิดเพลิอนอยู่กับความสุขตัวอย่างนี้เยอะท่นสอนไว้เยอะแต่แม้มันสู้มันยากกิเลสพวกนี้นะเราลองมองดูถึงว่าคนเคยคุยกับอาจารย์กรรมาฐานท่านหนึง่งตอนนี้ท่านมอเดาพไปแล้ว บอกหลวงพ่อแม่มีวาสนาบารมีมีเงินมีทองเยอะคนแห่เอาเงินมาให้ท่านแล้วท่านก็สร้างสร้างสราบอกทำไมหลวงพ่อสร้างไปทําอะไรเขาหลวลงพ่อก็แก่แล้วลงพ่อตายแล้วใครจะไปดูแลทําไมหลวงพ่อไม่ช่วยเหลือพระภิกษุสา ม, มนเณรในส่วนต่างๆของประเทศเราช่วยดียเขาทาแล้วอ่ะหรือว่าตั้งเป็นกองทุนมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็มีกรรมการบริหารเงินเหล่านี้มันไม่ตายมันได้ช่วยคน ท่านไม่ยอมเลยนะท่านบอกว่าโครงการยังไม่เสร็จอที่ตั้งกาหนดเป็นโครงการเอาไว้เนะี่ยยังไม่เสร็จบอกเมื่อไหรเสร็จหลวงพ่อ ก, ก็ตายก่อนยังไม่เสร็จดอกหลวงพ่อตายแล้วยังไม่เสร็จเลยท่านก็นั่งฟังเฉยๆพรนระ thus ท่านตายแล้วงานค้างเยอะนีๆอันนี้คืออะไรคือไปคิดในแง่ของเที่ยงในแง่ของความเป็นสุขและแง่ของอัตราตัวตน เรียกอัตตาสัญญาคือมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงเนี่ไม่มีตัวตนของเราเนี่ยมันเหมือนกับกอกกล้วยนะฮะลองปอกกาปอกดรวยแล้วไม่เจอไม่เจอกอกกล้วยเลยชีวิตเรามันเป็นอย่างนี้นดึงออกมาทีละส่วนทีละส่วนแล้วไม่เจอคนนะฮมันเจอผมเจอขนเจอเล็บเจอฟันเจอหนังเจอเนื้อเจอเอ็นเจอกระดูกเชื่อเยื่อในกระดูกอะไรแต่สารพัดเลย ไม่ได้เจอคนหรอกว่าจากจุดนี้ที่จริงมันเป็นโทษเพราะ้งหมบมันตกอยู่ในกฎของประจัยลักคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปธรรมดาในที่นี้ก็ทรงแสดงทั้งส่วนที่เป็นที่เป็นคุณเป็นรสอร่อยนะที่เรารักใคร่พอใจเนี่ย ก็บอกไว้สุกโสมนัสเนี่ยสุกโสมนัสใดๆที่มันเกิดขึ้นจากรูปแล้วเราก็กำหนดเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่กับรูปตั น, นั้นตัว น, นั้นก็เกิดว่าเป็นรสอร่อยก็ใช่ก็เป็นคุณของมันแต่ถ้าเรานำมาเทียบเคียงแล้วเนี่ยรสอร่อยเนี่ยจะนิดเดียวแต่ว่าทุกมันจะมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเลื่อนไหลเข้าสู่กระแสของสภาวธรรมคือความไม่เที่ยงเป็นทุกขเวทนาในสมัยที่ยศมาเป็นเด็กยังยังนึกประทับใจนะแต่เราเป็นเด็กนะได้จริงอายุสิบสองสิบสามแต่นั้นเองเดยฟังหลวงปู่องค์หนึ่งท่านนั่งสวดเดินผ่านมันรู้สึกมันเพลาะนะแต่เป็นเด็กเราฟังไม่รู้เรื่องอนะ่แต่รู้สึกมันเพลาะยังไงชอบกิ ท่านสวดเสียงยาวๆรูปังอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยงยาดานิจังตังโดขังรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์ยังโดกังตังอนัตตารูปใดเป็นทุกรูปนั้นใช่ตัวใช่ตนยาดานัตตาตังเนตังมามาเนโซมัสมิตรเมโซเมยตารูปใดใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราแล้ทัานสวดไปทุกข้อเวทนาตัญญาตังการวิญญาณเนี่ย แต่วท่านลากเสียงตรงนี้ยรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวจจตนของเรามาเป็นเด็กอายุเท่านั้นแหะสิบสองสิบสามนี่ยนะแล้มัน จ, จาได้ตั้งแต่เด็กๆมันรู้สึกเพลาะแต่เราก็ไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจแต่ว่าแต่ลากเนี่ยมันรู้สึกว่ามันช่วยอะไรได้เยอะหรือถ้าเรายอมรับความจริงมัน อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยนะเช่นว่าความหวังเราตั้งความหวังจะได้จะมีจะเป็นอะไรก็ตามคือยาวไปหวังไว้ทั้งร้อยเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ไม่ต้องไปตรัสรู้อะไรก็ได้นะเราลองสังเกตดูเถอะว่าเราที่ตั้งความหวังเนี่ยบางทีมันผิดหวังในส่วนใหญ่เนี่จะผิดหวังเพราะเราหวังเยอะด้วยเกินนะฮะกิเลสมันผลักใสจิตใจไปให้หวังนั้นหวังนี้หวังน้นมากเก่ แล้วบางทีก็ได้สักครึ่งสักกึ่งบางทีก็ได้ตามที่หวังบางทีก็ได้เกินที่หวังแต่ว่าได้ตามที่หวังก็ได้เกินที่หวังมันจะมีน้อยได้สักครึ่งสักกึ่งติดหวังนี่จะเยอะเพราะนั้นถ้าเราเตรียมใจไว้ได้มันก็เมื่อเราได้มากก็ไม่ดีใจเกินไปเพราะมันอะไรล่ะแค่ยี่สิห้าเปอร์ซ็นต์นั่นเอง ผิดหวังเมืกอแค่ยี่สิห้าเปอร์เซ็นได้ตามที่หวังก็แค่ยี่ส้าเอร์เซ็นได้เกินที่หวังแค่ยี่สิบ้าเปอร์เซ็นตผิดหวังหมดมันก็ได้แต่ครึ่งสักึงก็แค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นอันนี้คือโทษที่ชัดเจนฮโทษที่ชัดเจนคือความไม่เที่ยงเป็นทุกทรมานนะทุกเวทนาเนี่ยมันเกิดทรมานด้วยเดี๋ยวก็สารพัดคือลองสังเกตว่าเวลาเนี้ยไม่ต้องเอาอะไรมากหรอก ทุกในการสแสวงหาปัจจัยมาเลี้ยงดูครอบครัวนี่มันก็สาหาสัส ก, กันนะต้องต่อสู้กันเนยอะเมื่อก่อนก็มีคนมาจากรู้สึกก็อยู่สุราษฎร์นะนะแต่เป็นคนคุ้นกันแต่เขาก็เป็นผู้ใหญ่นะแต่เราก็ให้แนวคิดไปเพื่อเขาแนะนำเด็กๆคือบอกว่าเวลานี้เนะี่ยอย่าไปคิดเรื่องขายเคยอะไรก่อนเลย คิดจะอยู่ให้ได้อะนะคิดจะอยู่ให้ได้แล้วหาทางแทรกแซงตลาดแล้วก็เสนอสินค้าคือพืชธรรมดาเนี่ยพืชธรรมดาพืชอยู่ริมคลองริมสวยตามบึงอะไรต่างๆเนี่ยมันขาดหายไปเยอะแล้วพวกนี้จะลองสังเกตแล้วเนี่ยตลาดยังต้องการเยอะตลาดขาดแคลนแต่ไม่มีใครคิดจะสร้างฟารม จะปลูกพืชชนิดนั้นขึ้นมามันก่อนก็ไปเจอหลานชายเขาเอารี่ดีทายออกไปก็แนะนำเขาบอกไปช่วยคนหน่อยจี้แจกนำเขาแล้วเราก็ช่วยหาตลาดให้เขามันยังมีอะไรเข้าไปแทรกแซงได้อีกเยอะเยโดยเฉพาะยิ่ ง, ขอ ง, ข, องนะของเก่าของโบราณน่ะนะของเก่าของโบราณที่เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยเจอ คนรุ่นเก่าก็บางทีก็ปียี่ิปีไม่เคยเจออะไรนะครับแล้วเราก็สนับสนุนไม่มีการปลูกขึ้นมันก็จะมีอะไรเข้าช่วยเหลือได้เยอะเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขมันความไม่เที่ยงนั่นแหละเราไม่รู้จะว่ายังไงแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องรักษาสถานภาพไปอยู่ให้ได้ ทีนปัญหาว่าทํายังไงจะสลัดออกล่ะมันก็ต้องมองให้เห็นโทษนะโทษเนี้คือต้องพระจักแจ้งแก่ใจของเรามันเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับอาหารมาวางเอาไว้แล้วมันเย็นชืดแล้วก็ไม่อยากกินนะหรือวซาครี ม, มาวางไว้ละลายเป็นน้ําไปแล้วก็ปล่อยมันไป ไม่เสียดายไม่โกรธเคืองใครไม่อะไรเลยวางเฉยทำใจสงบเสียแพื่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คืออุบายที่จะสลัดออกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นจากใจไปกำหนดว่าเป็นสรุปรวมนะว่าขันห้าเป็นของเรา หรือเราเป็นคันห้าหรือคันห้าเป็นตัวเป็นดนของเราเนี่ยแต่และอย่างเนี่ยมันสาหัสแต่นั่นเลยกว่าสลัดออกสักข้อเดียวนะฮะออกสักข้อหนึ่งเนี่ยก็สาหัสแล้วแล้วไม่ใช่เล่นนะพวกนี้มันโตตามวัยนะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้แล้วเคยคุยกับเพื่อนๆที่เป็นราชาคณะด้วยกันมันต้องระวังนะ กิเลสมันขึ้นมานะเป็นชั้นราชเป็นชั้นเทพเป็นชั้นธรรมเนะี่ยกิเลสมันมาตามกันมาใหญ่ใหญ่ขึ้นมาแล้วยุ่งนะมันเกิดอาหังการเกิดประมังการเกิดอะไรขึ้นมาลผลุท้ายก็ไม่ใช่คนนะ่ะคือทำอย่างไงว่าพวกนี้เป็นเฉพาะราชสการะที่เราจะสนองฉลองศรัทธาของสถาบันประมากษัตริย์คือทํางานได้มากขึ้นนะ่ แต่ว่าให้กิเลสลดน้อยลงหน่อยตามไม่ลดก็อย่าให้เพิ่มกันแล้วกัน น, นะนะคืพยายามพยายามที่จะต่อสู้กับเรื่องนี้ได้คือลดของเราให้น้อยลงถ้ามันมีของเราขึ้นมาก็สลับแบ่งปันช่วยเหลือเจือจานแก่คนอื่นแล้วสึกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นให้เป็นบทที่จะต้องทําหน้าที่ตามที่สมมุติบัญญัติก็ทําให้เรียบร้อยบทเลิกก็คือเลิกและเป็นตัวเป็นตนก็เหมือนกันนะคร พยายามเข้าถึงความเป็นอัางนั้นในแง่ของสมมุติบัญญตัติแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีเพราะว่าคนเราเป็นอะไรก็ตามมันมีภารกิจที่ติดพันกับความเป็นมาถ้าทำได้อย่างนี้เราก็ใช้ขัน่าของเราเป็นประโยชน์ซึ่งวันหลังเราก็ต้องทิ้งเขานะมันเป็นสม บ, บัติของโลกทั้งรูปเวทนาตัญญาทั้งขานวิญญาณเนี่ย แต่แน่นอนว่าพวกเวทนาสัญญาตังขานวิญญาณนั้นก็มันเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะวิญญาณเนี่ยเราก็ต้องสะสมบุญและบาปนำไปสู่พบธรรมปกติธรรมดากพเราก็ยังยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระหันอะไรแต่ว่าการพยายามที่จะลดละบันเทาตัณหามาณะทิฏฐิที่ยึดโยงกัอยู่กับขันธ์ห้ให้เจอจาง เบาบางลงไปได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ทำได้เท่าไรก็เป็นประโยชน์มากขึ้นตังนั้นต้องฟังเท่าไรในลมประโพตธยานในวันนี้ขอยุดติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบุญในธรรมจูมมีแด่ท่านผู้ฟังเห่ า, หายโดยทั่วกันสวัสดี